ท่านเป็นพระชาวอังกฤษไปสอนธรรมะที่ออสเตรเลียแล้วก็ท่านมีกิจอย่างหนึ่งก็คือไปเทศไปสอนคนในเรือนจําตอนหลังงานท่านก็เยอะมากก็ก็ร่างรานะการไปสอนธรรมะในเรือนจํา ก็ผ่านไปคงเปนปีอะนะพัสดีก็โทรศัพท์มานิมนต์ท่านไปก็ไปสอนที่เรือนจำทานก็บอกเดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยว่างจเจ้าพาลูกเืินไปสอนไปเทศได้ไหมพัสดีก็บอกว่าไม่ได้หรอกนะอยากได้ท่านอะแล้วสงสัยว่าทำไมถึงอยากได้ท่านไปสอน เขบอกว่าสังเกตจากอ่าที่ท่านได้ไปแสดงธรรมในเรือนจําที่ผ่านมาเนี่ยก็เพราะว่าคนที่ผ่านการสอนการเทยของท่านเนี่ยเมื่อออกจากคุกไปแล้วก็ไม่ได้กลับอีกเลยคือไม่ได้กลับเข้าคุกอีกเลยท่านก็ ฟังแล้วก็ซื อ, อ, อดีใจนะทั้งหมเป็นคำชมนะที่มีค่ามากแถ้วเาก็นั่งคิดเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะไปไปแสดงทําให้กับเขาแล้วเนี่ยเขาถึงไม่กลับมาอีกนะเมื่อออกจากคุกแล้วก็ไม่ได้ทำผิดอะไรจนต้องเข้าคุกอีกท่านก็มานั่งทบทวนแล้วก็คิดว่าคงเป็นพ่ออย่างนี้แหละ ก็คือเวลาท่านไปในเรือนจำเนี่ยท่านเห็นคนที่ไิคุกเหล่านี้แล้วก็รู้นะว่าพว่าคนนี้นทาผิดก่ออาญากรรมแต่ก็ไม่เคยมองเห็นคนเหล่านั้นเป็นอาญากรเลยเวลาไปในคุนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นอาญากรเลยเห็นแต่คนที่ทำผิดเห็นแต่คนที่ฆ่า ที่เคยทําความผิดเช่นฆ่าหรือว่าปล้นจี้ข่มขืนแต่ไม่เคยเห็นคาตกรเนีไม่เคยเห็นขโมยไม่เคยเห็นนักข่มขืนนอันนี้มันมีความแตกต่างนะเราบอกเห็นคนเห็นคนมงคนนะเห็นคนที่ไปขโมยแต่ก็ไม่เคย เห็นเขาเป็นขโมยเห็นคนที่ไปไปฆ่าเขาแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาเป็นฆาตรกรหรือไม่เห็นฆาตรกรในเรือนจําเลยทําไมท่านมองแบบนั้นนะว่าเข้าไปในคุกเนี่ยเห็นคนที่ประกอบอาชญากรรมมากมายแต่ไม่เคยเห็นเ้าเป็นอัชญากรต้องบอกว่า คนเราเนี่ยมันเป็นอะไรมากกว่าสิ่งที่ตัวเองทำข้อจะทำผิดครั้งสองครั้งเนอะแต่ว่าไอ้ที่เขาทำดีก็มีมากมายก็ไม่ควรจะเอาการกระทำผิดครั้งสองครั้งเนี่ยมามาตีตราเขาท่นใช้คว่าคนเราเนี่ยเป็นมากกว่าที่ตัวเองทำ อันนี้ก็คล้ายๆกับที่เคยบอกที่ผมเคยบอกกับคนป่วยนะหลายคนก็มีมะเร็งก็เคยบอกเขาว่าเนี่ยคุณแค่มีมะเร็งนะคุณไม่ได้เป็นมะเร็งนะมีมะเร็งไม่ได้แปลเป็นมะเร็งนะถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งก็หมายว่า มะเร็งเป็นทั้งหมดของคุณนะแต่ที่จริงมะเร็งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคุณไอ้ส่วนเวลามีมะเร็งที่ตับมีมะเร็งที่ปอดแต่ว่าไอ้ที่ดีๆก็มีอีกเยอะที่ยังเป็นปกติอวัยวะส่วนนี้เป็นปกติก็มีอีกเยอะนี่ว่าเฉพาะร่างกายนะคนที่มีมะเร็งเนี่ยเขาก็าบางคนก็ หลายคนก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็เป็นอะไรเยอะแยะเลยอั น, นเพียงแค่มะเร็งเอามะเร็งมานิยามตัวเขาเนี่ยว่าในเมื่อเธอเป็นเธอมีมะเร็งก็สังว่าเธอเป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งแค่เป็นส่วนหนึ่งของเขานะไม่ใช่ทั้งหมดของเขาอาจารย์พรหมก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะกับคนไข้กับผู้รักโทษนะมอง ก็ไม่ได้พูดแต่แต้มองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตกรไม่ได้เป็นขโมยไม่ได้เป็นคนอาญกรไม่ได้เป็นพวกฆ่าขมคืนเพียงแต่ว่าเขาเคยฆ่าคนเขาเคยขโมยเขาเคยฆ่าขมคืนหรือว่าเขาเคยประกอบอาญ ก, กรรมทําอะไรก็ไม่แปลว่าเป็นอย่างนั้นนะ ถ้าบองในพอมอแบบนี้นะคือไม่ได้เห็นเขาเป็นฆาตกรเนี่ยมันก็ทำให้ทําให้เห็นความดีของเขาและการมองแบบนั้นเนี่ยมันทำให้คนในคุ่เนี่อับรู้รู้สึกได้เมื่อท่านมองเห็นความดีของเขาเนี่ยเขาก็ก็เห็นความดีของตัวเหมือนกันก็ทำให้เกิดความเคารพตัวเอง ให้ความดีที่ได้รับการยอมรับเนี่ยมันก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาได้นจนสามารถที่จะเอาชนะความชั่วเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีได้คนทำชั่วนี่ก็ไม่แปลเป็นคนชั่วนะเพราะ ว, าว่าเราว่าเขาเป็นคนชั่วแปลว่าเนี่ยความชั่วเป็นทั้งหมดของเขาแต่ที่จริง เขาก็มีความดีอยู่แต่เพียแต่ว่าเขาเผลอไปทำชั่วแล้วครั้งสองครั้งคนทำชั่วก็ไม่ได้เป็นคนชั่วส่วนคนที่ทำดีก็ไม่ใช่เป็นคนดีนะเพราะว่าคนที่ทำดีก็เผลอทำไม่ดีเหมือนกันมันมีความแตกต่าง ม, มากเลยระหว่างคนทำดี เป็นคนดีอ่นะคนทำชั่วกับเป็นคนชั่วนี่ก็ต่างกันสูคือว่าในท่านก็มองว่าเนี่ยท่านมองเวลามองคนในคู่นี่ก็ไม่เห็นใครเป็นฆาตกรสักคนไม่เห็นใครเป็นอาทยากรสักคนเห็นแต่คนที่เคยทำผิดทำพลาดตรงนี้มันก็ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาเริ่มที่จะเห็นความดีของตัว หรือว่าเกิดความเกิดการเคารพตัวเองขึ้นมาแล้วเกิดกำลังใจในการที่จะทำความดีออกจากคูปเป็นแล้วก็ก็เลยไม่ไม่เผลิททำชั่วหรือไม่ไปทำผิดทำพลาดซ้ำสองทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เาเป็นอย่างนั้นนะ อันนี้เนี่ยมันก็โยงมาถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะเพราะว่าเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยความเครียดความหงุดหงิดความโกรธเนี่ยหลายคนก็ก็รู้สึกเป็นขึ้นมาเลยเป็นผู้หงุดหงิดเป็นผู้เครียดเป็นผู้โกรธ มีอารมอะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่แปลว่าเราเป็นอย่างนั้นนะก็ขนาดก็ขนาดเราขนาดทําอะไรไปก็ไม่แปลว่าเราเป็นอย่างนั้นคนที่เขาไปขโมยของก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นขโมยอันนี้ก็ฟังดูแปลกๆนะแต่จริงก็เป็นงั้นแหละพราะเวลาเราบอกว่าเขาเป็นขโมยนี่คือว่าขโมยจะเป็นทั้งหมดของเขาแต่ที่จริงเขาก็ นอกจากเขาขโมยของแลาาา้วก็อาจจะไปทําบุญก็อาจจะช่วยคนก็อาจจะมีความซื่อสัตย์ ก, กตัญอยู่ก็ยังมีอะไรทั้งเยอะแยะเวลาเราเห็นคนกตัญอยู่เราบอกว่าเขาเป็นคนกตัญอยู่ก็หรือเป็นคนดีก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นก็อาจจะรักได้ขโมยน้อยเหมือนกันจึงบอกว่าเราทําอะไรไปก็ไม่เพราะว่าเป็นอย่างนั้นน ทำชั่วก็ไม่ได้เป็นคนชั่วในขณะเดีกันมีความโกรธเกิดขึ้นในใจก็ไม่ได้ก็อย่าไปคิดว่าเป็นผู้โกรธนะมีความดีใจก็อย่าไปคิดว่าเป็นผู้ดีใจมีอะไรก็ไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมชาติงคนเราก็มักจะไปยึดเอาเอาสิ่งที่ทำหรือเอาสิ่งที่ เกิดขึ้นในใจว่าเป็นนั่นเป็นนี่ที่หลวงพ่อเขียนว่าว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยก็มีความหมายครอบคลุมไปถึงเรื่องอย่างนี้ด้วยนัท่านสอนว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นเนไ่ยแล้วรก็สงสัยว่าเป็นไหมคำวามม่ายังไงนะก็เวลามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกเป็นผู้โกรธนะหรือมีความรว่าเราโกรธนะ มีความดีใจก็สูว่าเราดีใจมีความเครียดก็สูว่าเราเครียดเนี่ยนั่นแหละเป็นแล้วนะนั่นแหละเป็นแล้วมีความดีใจกับเป็นผู้ดีใจหรือเราดีใจนี่ไม่เหมือนกันนะมีความหงุดหงิดในใจกับเราหงุดหงิดนี่ไม่เหมือนกันนะ ไอ้เราเงียบเงิยเนี่ยมันแปลว่าเป็นแล้วล่ะแต่มีความดีใจเนี่ยนะถ้าถ้าถ้ารู้สึกอย่างนั้นว่ามีความดีใจเกิดขึ้นนะแสดงว่าเห็นนะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจนะก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าเราเป็นนั่นเราเป็นอย่างนั้นและการปฏิบัตงิง่ายๆก็อยู่ตรงนี้แหละก็คือว่า เห็นอนารมณ์ที่เกิดขึ้นเห็นความคิดที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกว่าเราโกรธรู้สึกว่าเราเกลียรู้สึกว่าเราหมุดหงิดรู้สึกว่าเราทุกข์รู้สึกนี้เมื่อไหร่แท้ก็เป็นแล้วแต่ก็ลองสังเกต ด, ดูว่าเออทาไงาจะเห็นมันได้แทนที่จะ รู้สึกว่าเราโกรธก็เห็นความโกรธนะแทนที่จะเป็นผู้หงุดหงิดหรือว่าเราหงุดหงิดก็เออเห็นความหงุดหงิดนะหลายคนก็เวลาถามว่าเห็นนี่เห็นอย่างไรนะก็ให้มาดูข้างในใจว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้าง เวลาบอกว่ารู้สึกอย่างไรเนี่ยมันก็มักจะเผลอ น, นะคนก็ไม่เผลอเออเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกสบายเรารู้สึกเครียดอันนี้มันยังเป็นอยู่นะแต่ว่าถ้าเออเห็นข้างในมันดีใจเห็นข้างในมันสบายเห็นข้างใ น, นมันโกรธนะนี่แหละรเรียกว่าเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็น ถ้าไม่ไม่ฝึกแบบนี้ไม่ยอมเข้ามาดูข้างในใจเนี่ยนะพออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็เรียกว่าจู่โจมนะจู่โจมจนกระทั่ง ก, กลายเป็นนั่นเป็นนี่ไปไปหมดจริงๆมันก็ไม่ใช่จู่โจมรกนะแต่ว่าไอ้ใจที่มันมีสติมันไปนยึดเอา อารมณ์เหล่านั้นว่ า, าเป็นกูเป็นของกูไปหรือว่ามันปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เสพผู้สวยอารมณ์นั้นมันไม่มีผู้เสผู้สวยอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าสังขารหรืออารมณ์ที่หมายถึงความสุขความทุกข์นะมีความปวดเกิดขึ้นมีความเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผู้ ผู้เสพผู้สวยความปวดไอ้ผู้เสพเนี่ยมันเกิดจากการที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมามีโักูขึ้นมาเป็นผู้เสพผู้สวยความทุกข์ก็เช่นเดียวกันมีความทุกข์นะแต่ว่ามันไม่มีผู้ทุกข์นะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ให้เห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นนะ แต่ความทุกข์ไม่ใช่เรามีความทุกข์ก็ไม่แปลว่าเราเป็นผู้ทุกข์นะนี่ต้องหมั่นสังเกตให้ดีถ้าไม่ถ้าไม่ไม่หมัน่นไม่หมั่นมองนะข้างในนี้เนี่ยมันก็จะเผลอไปไปยึดว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเนี่ยอันนี้ก็คือความหมายนึงว่า เป็นอะไรกับอะไรเข้าเปแล้วนะเป็นอะไรกับอะไรอะไรตัวตัวที่สองนี่ก็หมายถึงอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจเช่นความปวดความเมื่อยอันนี้นั่นคือกายส่วนอาการที่เกิดขึ้นกับใจก็เช่นอารมณ์ต่างๆนี่แหละรวมทั้งความคิดด้วยนะคือไปยึดมันนะพอพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปยึดมันว่านะนั่นแหละคือ คือเรานั่นแหละเป็นตัวเราหรือพูดแบบภาษาฟังยากมนะันเป็นวิชาการนะคือไปไปเอาสิ่นั้นมาเป็นตัวนิยามความเป็นเรานะ่วคนทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นนะอืไม่ใช่แค่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเท่านั้นแต่เวลาทําอะไรเวลาทำอะไรก็ไปก็ไปยึดว่านั่นนะ่ะเป็นเรานะ หลายคนนะทําความดีทําบุญทํากุศลนะเ อ, เ อ, เ อ, เอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นก็ไปก็ไปปรุงว่าฉันเป็นคนดนะีเวลาเมื่อก็ตามที่เราเกิดความสําคัญา ม, ม, ามาเป็นคนดีนี่ต้องระวังนะเพราะว่ากิเลสมันจะเข้ามาจะคลืบคลายเข้ามาเล่น ง, งานเราได้ง่ายเพราะว่าพอเป็นคนดีแล้วมันก็เกิดมานะขึ้นมา ได้ง่ายมันมันก็ว่ามันมันเกิดการฟูขึ้นมาฉันเป็นคนดีเวลาใครบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยนะมันเขากำลังมักจะพูดด้วยมานะโดยความรู้สึกว่าโอ้ฉันเก่งฉันดีคือมันมีอัตตาขึ้นมาทำดีก็ไม่ว่าเป็นคนดีนะ อย่าไปยึดเอาการทำการทำนั้นว่าเป็นเป็นของเราหรือเป็นตัวเราอันนี้ก็เป็นความหมายของเขาไม่เป็นอะไรกับอะไรนะปฏิบัติธรร ม, มดีแล้วนะจะไ ป, ไปแต่อย่าไปยึดว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมพอพิจกรว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมก็จะว่าฉันนี่พิเศษกว่าคนอื่นเธอไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมฉันเธอก็เป็นคนละพวกกับฉัน อไม่ใช่ก็คนพวกแค่นะั้นไม่พอนะถือว่าต่ำกว่าชั้นด้วยนี่มันจะเกิดในความที่ยรงนี้ซ่อนเข้ามาในใจเออเราพูดว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมก็คือความภูมิใจก็ดีนะแต่ว่ามันก็นําไปสู่การแบ่งพวกได้เหมือนกันาฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเธอไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะ่ะคนเราพวกกัน พอเป็นคนหลบพัวแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกเ ข, ขินห่างหมางเมินแล้วก็อดไม่ได้ที่จะหมองว่าเขาต่ำกว่าเราดัางนั้นการไปการไปการเกิดความสึกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้เราก็ต้องระวังเอาไว้นะทาดีกดีแล้วนะแล้วก็ทําให้ทําดีไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอย่าไป อย่าไปติกับคำว่าฉันเป็นคนดีปฏิบัติธรรมก็ดีแล้วทาทุกวันชอบจดเย็นดีแล้วแต่อย่าไปสั่งคำว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมมันจะเปิดช่องให้กิเลสอัตตาเข้ามาเล่งงานได้ ง, ง่ายจริงคือว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนักนี่นะมันก็ต้องถ้าไปเชื่อว่าเป็นนักนะนักอะไรก็ตามนะก็ต้องระวังนะ เพราะว่าคำ ว, ว่านักเนี่ยมันมันจะมีความหมายถึงการที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งเช่นนักกีฬานักคิดนักเขียนนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการคำ ว, ว่านักเนี่ยนะมันมันจะซ่อนในยะว่าเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนเชี่ยวชาญ แต่ดูว่ามีนักอย่างเดียวนะที่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือนักเรียนนักเรียนถ้าเป็นนักอื่นนี่มันมันดูถ้าเรียกตัวมาเป็นนักนี่นักนั่นนักนี่เนี่ยมันมันดูมันจะอวดเกย์กลายนะฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมฉันเป็นนักเขียนฉันเป็นนักพูดฉันเป็นนักวิชาการหรือฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ อาจารย์ในที่เอกสือวงชอบเรียกตัวว่าเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์เนี่ไม่ค่อยเรียกตัวว่านักประวัติศาสตร์เท่าไหร่เพราะว่าพอเรียกว่านักประวัติศาสตร์มาเหมือนกับว่ากําลังโชว์กาลังอวดว่าฉันเก่งทางด้านประวัติศาสตร์เป็นนักอะไรก็ไม่ดีเท่ากับเป็นนักเรียนนะเพราะว่ามันทําให้อัตราตัวตนมันกําเริบได้ยากมันทําให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน อันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องทั้งหมดที่พูดม า, าคือเรื่องเป็นนั่นแหละนะเราอย่าไปตัดสินคนว่าเป็นนั่นเป็นนี่จากการกระทําของเขานะแล้วก็ไม่สําคัญมป้าหมายตัวเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่โดยดูจากการกระทําเท่านั้นทําอะไรก็ไม่แปลว่าเป็นอย่างนั้นนะหรือมีอะไรก็ไม่แปลว่าเป็นอย่างนั้นเช่นมีมะเร็งอยู่ในในตัวก็ไม่ว่าเป็นมะเร็ง ทำดีก็แม่อย่าไปคิดว่าเป็นคนดีทำชั่วเหมือนกันนะทำชั่วไปอย่าไปคิดว่าเป็นคนชั่วมีความทุกข์ก็อย่าไปสำคัญมากว่าเราเป็นทุกข์มีความโ ก, โกรธก็อย่าไปรู้สึกว่าเราโ ก, โกรธหรือเป็นผู้โกรธมีความดีใจก็อย่าไปรู้สึกว่าเราดีใจนะหรือว่าเราเป็นผู้ดีใจให้เห็นตามความเป็นจริง เห็นตามความเป็นจริงว่าเออมันมีความดีใจอยู่ข้างในมันมีความทุกข์อยู่ข้างในหรือว่าเห็นความจริงว่าเออปวดนะอะไรปวดนะไม่ใช่เราปวดนะมันแขนปวดขาปวดนี่คือเห็นตามความเป็นจริงทำดีก็ก็เห็นความจริงก็คือทำดีแต่ไม่ไป ไปสรุปว่าเป็นเป็นคนดีนะทำชั่วก็เห็นการทำชั่วของเขารับรู้แต่ไม่สรุปว่าเขาเป็นคนชั่วเนะนี่ยเราต้องต้องต้องเห็นความแตกต่างนะแยกแยะให้มันถูกต้องแต่เราก็พูดตามภาษาโลกได้นะพูดตามสมมุติได้ อันนี้เรื่องสมมุติมันก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าในใจเราเนี่ยเราก็ก็ต้องเห็นความแตกต่างนะระหว่างการการมีกัการเป็นหรือการทำกอาการเป็นมีมะเร็งไม่แปลว่าเป็นมะเร็งหล้วคนนี่พอผู้ป่วยพอรู้ว่าฉันเป็นมะเร็งเนี่ยมันแย่เลยนะมันหดถูมันพ้อแท้ทั้งที่เ็ยังเป็นอะไรมากมายนะแต่ว่า ไอความเป็นมาเร็งนี่มันกรบมาเลยนะแล้วก็เลยก็เลยทุกกระทมในทางเดียวกันนะเวลามีความเครียดแล้วไปเชื่อฉันเครียดเนี่ยแต่ไมืพ่พวกเครียดเนี่ยมันก็ให้ผลแตกต่างกันเนยอะคนรู้สึกว่ามีความเครียดในใจเนี่เออมันก็ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่บอกว่าฉันเครียดเนี่ยโอ้มัน ความเครื่อมันกินเราไปทั้งตัวเลย ม, มันมีความรู้สึกแบบนั้นอย่าเอาความเครื่อนมากำหนดนะกำหนดตัวเรามันเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งนะของความเป็นเราในขณะนั้นขณะนั้นมีความกลัวก็เห็นความกลัวอย่าไปหลงเผลอคิดว่าฉันกลัวนะ พอฉันกลัวปุ๊บนี่มันหมดสภาพเลยแต่พอเห็นนะว่าเออมีความกลัวก็ก็ดูมันไปมันก็จ ะ, ะแสดงแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะความกลัวเนี่ยเช่นเดียวกับาอารมณ์อคือว่ามันมันไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปความเจ็บก็เหมือนกันนะ เวลาเจ็บเวลาปวดเนี่ยถ้าเห็นตามความเป็นจริงเออมันปวดแขนปวดขาอันนี้มันจะรู้สึกทุกน้อยกว่าเมื่อเกิดความรู้สึกว่าฉันปวดอาจารย์พุทธาท่านเคยเปรียบเชื่อนะ่เวลามีดบาดมือนะหรือมีดบาดนิ้วอ่ะคนที่รู้สว่ามีดบาดฉันเนี่ยนะมันจะ เจ็บมากกว่าคนที่รู้ตัวเออมีดบาดนิว้วมีดบาดนิ้วนี่มันก็เจ็บอย่างหนึ่งแต่พอมีดบาดฉันเนี่ยเ อ, อ้มันเจ็บมากนิ้วก็ไม่ใช่ตัวฉันนะเวลาเราชี้มาว่าเวล า, าบอดเนี่ยเวลาคนที่บอดมีตัวฉันตัวฉันเอียลองชี้มาสิว่าตัวฉันอยู่ไหนนะ ชี้มาที่หน้าอกนั่นก็ไม่ใช่ฉันนะนั่นก็คือหน้าอกชี้ไปที่หัวนั่นก็ไม่ใช่ตัวฉันนั่นนั่นคือหัวชี้มาที่แขนว่าตัวฉันนั่นไม่ใช่ตัวฉันนั่นคือแขนชี้ไปตรงไหนหาตัวฉันไม่เจอนะหาตัวกูไม่เจอเลยไม่เชื่อเราก็ลองชี้ดูนะชี้ไปตรงไหนก็ไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นตัวกูไม่ใช่ตัวกูนั่นนั่นเอนคือหัวบ้างหลังแขนบ้างละ นะหน้าอกบ้างละจมูกบ้างละหูบ้างละให้ตัวฉันนี่มันก็เป็นเพียงแค่คำเรียกรวมๆหัวจมูกตาแขนเรียกรวมๆ ว, ว่าตัวฉันเป็นคำสมมุติแต่พอหายูตัวฉันตรงไหนนะชี้ไปก็ไม่ใช่ ในใจกันถ้าเรามองย่อไปหน่อยนะหัวนี่นะลองเชื่อตรงไหนเป็นหัวเราพอชี้ไปอา่านคำหมับนี่ที่ตรงนี้ก็คำหมับที่ตรงนี้ก็แก้มที่ตรงนี้ก็จมูกหาหัวไม่เจอนะะชี้ไปที่หัวก็เจอตามั่งละ่ะเจอคำหมัก บ, บ้างละ่ะเจอจมูกบ้างละ่ะเจอป่าบ้างละ่ะเจอกระหม่อมบ้างละ่ละน่าจต่คาว่าหัวก็ไม่มีนะ ไอ้ตัวตนที่เป็นหัวนหัวก็เป็นแค่คํ า, คามมนะเรียกรวมๆตาคิ้วจมูกปากกระหม่อมกระโหลกรวมเรียกรวมๆก็ให้ชื่อมันว่าหัวลงรายละเอียดไปอีกนิดนะอา้าวตาเนี่ยเชื่อไปที่ตาเนี่ยอา้าวไม่ใช่ตาแล้วเป็นขนตานะปประมาณนี้หาตัวตนของอะไรสักอย่างไม่ได้เลย เราก็เรียกสมมุติเอานะเพื่อความสะดวกว่ามีหัวแล้วก็มีตัวนี่ตัวฉันแต่พอไปพอไปยิกกับมันตลงมามันก็เลยคิดเอาว่ามีจริงๆนะนี่ก็สมมุติมันหลอกนะสมมุติมันหลอกถ้าเราเชื่อมันมีจริงนี่คําว่าฉัน เป็นนั่นเป็นนี่กันนะเป็นเป็นฉันโกรธฉันฉันกลุ่มฉันทุกข์นี่ก็ก็เป็นคําสมมุตินะแต่มันก็คนเราก็ซื้อมันเป็นจริงนะเพราะมันไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากไปยึดเอาไ ป, ปกลุ่มโตโกูขึ้นมาแล้วไป ให้ตัวกูนั้นปเป็นผู้เสพผู้สวยอารมณ์ต่างแล้วก็ก็เชี่ยวมันมีจริงเมื่อว่าคนฆาตรกรอัจยายกรนนี่ก็เป็นสมมุติเราใช้เรียกสวราเป็นเราใช้สมมุติเรียกคนที่ทํานั่นทํานี่เนี่ยคนที่ไปขโมยเราก็เรียกเขาอาจาัจายกอนคนที่ฆ่าคนแล้วก็เรียกเขาฆาตรกรมันก็เป็นสมมุติเราก็ใช้ได้ แต่พอราพิจก็สมมติมากๆเราก็เลยคิดว่าเนี่ยก็เลยเห็นว่าฆาตกรนี่คือทั้งหมดของเขาที่จริงเขาก็ทำอย่างอื่นด้วยที่เป็นคุณงามความดีที่จริงการฆ่าคนหรือการขโมยนี่ก็เป็นแค่ส่วนเสี้ยลดิกๆของเขานะเพราะมงคนก็แค่ ของคุณทดีมาตลอดนะั่นแต่เผลอไปฆ่าคนครั้งเดียวไอตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าใครก็เรียกว่าเป็นคนดีนะเพราะว่าทําดีมาตลอดแต่พอทําไปฆ่าใครสัคนนี่กลายเป็นฆาตกรไปเลยคือถ้ามันเป็นคําสมมุติเรียกแล้วก็เราก็รู้ว่าเออจริงๆเขาก็ทํำอะไรหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ฆ่าคนอย่างเดียวแล้วสิ่งที่เขาทาดีนี่มีมากกว่าสิ่งที่เขาทาชั่ว อันนั้นก็มันไม่ก็ไม่เป็นอะไรแต่พอคนเราไปติดสมมุติแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นจริงๆนะพอไปตีตาว่าเขาเป็นฆาตกรเป็นอาญากรก็เขาสึว่าเขาเป็นคนเลวคนชั่ว อ, อกจจะคุกไปก็ทําดีไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีแรงทําดีมันก็ทําชั่วยก์กลับเข้ามาใหม่ เรื่องของเอเรื่องของการไปไปมองใครว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะมันถ้าเราดูดีๆนั้นะมันเป็นการมองที่คาดเคลื่อนไม่ตรงความเป็นจริงอันนี้รวมถึงการมองที่ตัวเราด้วยนะเวลามองว่าเราเป็นคนดีเนี่ยนะมันก็ยังเป็นการมองที่คาดเคลื่อนเพราะว่าทําไม่ดีก็มีอยู่นะ แต่ก็ทำดีมากกว่าทำไม่ดีในตอนเด็กกันเวลามีความโกรธความอิจฉาเนี่ยมีความหงุดหงิดแล้วไปคิดว่าฉันเป็นฉันหงุดหงิดฉันโกรธฉันอิจฉานี่อันนี้มันก็ไม่ถูกต้องไปคิดว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่นะมันก็ยังคล้ายเคลความเป็นจริงมันไม่ใช่คล้ายคลาดเคลื่อนมันทําให้ทุกข์ด้วยนะ พอไม่ใว่าฉันโกรธเนี่ยมันทุกข์เลยนะมันตายกับคนที่เห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะมันจะไม่ทุกข์มากความโกรธมันจะไม่เผาร้นใจมากเพราะมันเห็นไม่ค่อยเป็นเหมือนก็เลยเห็นกองไฟนะถ้าเราเห็นกองไฟมันไม่เคยร้อนนะไม่ค่อยทุกข์แต่เราก็เอาเข้าไปอยู่ในกองไฟนั่นแหละเป็นอันหนึ่งเดียวกองไฟเนี่ยมันทุกข์มากเห็นความโกรธคือมันก็เห็นกองไฟ แต่ถ้าเราซึวว่าฉันโกรธก็คือเป็นผู้โกรธก็คือเข้าไปอยู่ในกองไฟแล้วถูกไฟโทรสาเผาลนนั่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องเรื่องเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะโดยเพราะในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเรานะี่มีมะเร็งก็ไม่ัปเป็ น, ปนมะเร็งนะมีความโกรธกับขึ้นในใจก็ไม่ไไม่ได้เป็นผู้โกรธ มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้ทุกข์เนี่ยมีความท้อแท้สิ้นหวังก็ไม่ใช่จะเป็นคนท้อแท้สิ้นหวังมันยังมีอะไรที่มากกว่า น, นั้น